ห้าสี่สามสองหนึ่งมพงษ์มีมีเวลาอยู่นะครับได้ครับเต็มที่เลยครับสี่สามสองหนึ่งะไรล่ะอ๋อนี่คือรายการเปิดธรรมที่ถูกปิดภาคออนไลน์ทางเพียวธรรมะคอมอัตมาพระไฟบูรณ์ณพิปุนโนผู้ดำเนิน ร, รายการครับกับผมทันตแพทย์นัทพงษ์กนออกวิรุณครั บ, ร, บรายการนี้ก็มีผู้ดำเนินรายการอยู่สองคน ด้วยการทํา <c oughs> ตอนนี้เป็นเอพิซดที่เท่าไหร่หมอรัตพงศ์19ครับเอพิซอดที่19แล้ว19ครับก็คือจะมีเรื่องราวที่ที่อเป็นเรื่องของผลตอบรับนะฮะตอบรับจากตอนคราวที่แล้วที่เราพูดถึงเอพิซอดที่18เรื่องของละรครเรื่องมองกุฎดอกส้มทางสถานีโทรทัศน์ช่อง3นะครับที่เราก็พูดกันได้ พอสมควรแล้วก็มีมีฟีดแบ็คือผลตอบรับกลับมาจากท่านผู้ฟังนะครับเพราะฉะเราจะานำเสนออะไรดีไหมครับอ๋อได้เลยได้เลยท่านผู้ฟังมีฟีดแบ็มาคิดว่าผู้ที่มาดาวน์โหลดคงได้อ่านฟีดแบ็ของคุณบินีเนธครั บ, รบทีนี้คุณบนีเนธมีฟีดแบ็ในลักษณะที่ว่าคือละครมันก็มีส่วนดีส่วนเสียของเขาอันนี้เป็นก็คอมเมนต์ที่ถูกต้องเห็นด้วยแล้วก็ คือมันมีส่วนดีส่วนเสียงนั่นแหละในทุกอย่างคนที่มีธรรมะอ๋ะหมอรัศพงศ์ครับเห็นเรื่องอะไรแย่ๆนะเขาก็เห็นเป็นธรรมะได้ อ, อ๋อมองส่วนที่ดีได้อเห็นว่าโอ้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราไม่ควรทําเห็นสิ่งดีๆเขาก็โอ้สิ่งนี้เรายังไม่เคยทําเราจะทําเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วธรรมะเนี่ยเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดที่ทุกคนจะต้องมีเพราะฉะนั้นไม่ว่าบ้านเมืองมันจะเหลวแหลกยังไงก็ช่างหัวมันซะแต่ถ้าจิตใจเรามีธรรมะเนี่ยเราก็ไม่เป็นไร ใช่ครับทีนี้ต่อให้มันจะมีละครน้ำเน่ามากๆสักกี่เรื่องก็แล้วแต่ถ้าจิตใจเรามีธรรมะเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรครับรักษาจิตไว้ได้ใช่ใ่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าเราจะทํายังไงไม่ให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราถูกดึงไปถ้าคนยังไม่เคยฝึกเนี่ยเขาก็ต้องสร้างเหตุปัจจัยที่ถูกต้องก็คือการที่ให้ภาษะต่างๆของเขาเนี่ยอยู่ในแดนบวก เพราะฉะนั้นสําหรับคนที่มีธรรมะอย่างผู้ฟังรายการพียวธรรมะคอมเนี่ยเปิดเปิดธรรมที่ถูกบิดพาคออนไลน์เนี่ยไม่เป็นไรอยู่แล้วนึกออกไหมเพราะว่าการฟังธรรมะหมอรัตววงศ์เป็นหนึ่งในองค์ุณสี่ประการที่ทําให้เกิดปัญญาขึ้นนะอืมเหตุปัจจัยใช่มีเหตุปัจจัยสี่ประการที่ทําให้ปัญญาที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นและปัญญาที่เกิดอยู่แล้วเนี่ยดีมากขึ้น อ๋อ uh. <c oughs> คือถ้าเราบอกว่าศาสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยศาสนาของสมณะโคดมเนี่ยคําสอนของสมณะโคดมเนี่ยเป็นคําสอนที่เป็นไปเพื่อปัญญาถูกปะเหมือนกันว่าปัญญาเนี่ยเป็นแก่นของคําสอนพระพุทธเจ้าถูกไหมเพ ร, ราะฉะนั้นถ้าเราต้องการสิ่งที่เรียกว่าแก่นคําสอนพระพุทธเจ้าคุณต้องมีปัญญาถ้าถามว่าปัญญาอยู่ๆมไม่ใช่ว่าฮาริูุยาแล้วก็มันก็เกิดขึ้นมาเองนะ ใช่ครับคือมันจะต้องมีเหตุปัจจัยซึ่งพระเจ้าได้บอกไว้4อย่างหนึ่งในอย่างนั้นคือการฟังธรรมท่านผู้ฟังฟังธรรมอยู่เนี่ยดีมากๆเลยการฟังธรรมอ่าทีนี้สามอย่างที่เหลือคืออะไรครับอย่างแรกอันนี้ได้เขียนไว้ในบล็อกเหมือนกันเป็นภาษาอังกฤษก็ไปดูได้อ่าเพิ่มเติมในรายละเอียดนะอย่างแรกก็คือการคบหาสับรุษคือคบหากับคนดีอ๋อที่เรียกว่าการยานามิตรไหมครับอ่าใช่ แลนะพระพุทธเจ้าใช้สัพพุรุตก็มีใช้กลัลยาณมิตรก็มีทีนี้สัพบุรุษเนี่ยจะมีความหมายหมายถึงตัวบุคคลที่จับต้องได้<อ>นะส่วนกลนัลยาณมิตรนี่เราได้เคยพูดไปหลายครั้งแล้วว่าหมายถึงธรรมะก็ได้หมายถึงตัวบุคคลก็ได้ครูบาอาจารย์ก็ได้อย่างเงี้ยนะอันแรกมีค้หาสัพพุรุษอันที่สองฟังธรรมนะสามทในใจหนโดยแยบคาย ที่เขาเรียกว่าโยนิโสมนัสิการใช่ใช่ทำใจทำในใจโดยแยกกายหรือโยนิโสมนัสิการและ4คือการปฏิบัติธรรมสมกุรแก่ธรรมสีอ่อย่างนี้ถ้าทำมากๆแล้วเนี่ยจะเป็นไปเพื่อความเจริญขึ้นแห่งปัญญาที่ต้องมีในเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์หรือรเป็นไปเพื่อความเจริญยิ่งขึ้นของปัญญาที่มีอยู่แล้วว่า ง, งั้นครั บ, รบให แตกฉานมากขึ้นลึกซึ้งขึ้นใช่ไหมครับใช่เพราะฉะนั้นฟังธรรมบ่อยๆก็อันนี้พระเจ้าก็ไม่ได้พูดว่าให้ไปดูละครบ่อยๆอ่ะนะเพราะฉะนั้นเราก็ให้ฟังธรรมธรรมะดีแล้วนะแล้วก็ไอ้ส่วนรายการอะไรต่างๆก็ถ้าเป็นไปเพื่ออักกุศลแต่การดูการะเล่นอันเป็นค่าสึกแกกุศลธรรมอันนี้ก็ไม่ควรมีอืมครับแต่ถ้าท่านถ้าท่านเป็นต้องดูก็ ให้พิจารณาโดยเยตใจําเป็นนี่ก็ <c oughs> คือความจําเป็นจริงๆคือการต้องรู้อริยสัจหมอเถอะัพผศครั บ, รบมันไม่มีความจําเป็นอย่างอื่นที่ว่าเช่นโอ้ฉันจําเป็นต้องทํานะอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ให้รู้อริยสัจถ้าดูแล้วแล้วเราเห็นอริยสัจในรายการนั้นก็โอเคนะครับครับอทีนี้นี่คือคอมเมนต์ที่ได้ อ่รับมาจากท่านผู้ฟังรายการดีมากถ้าเผื่อว่าท่านผู้ฟังคนไหนนี่มีคอมเมนต์อะไรก็สื่อสารมาได้เผื่อว่าเราจะได้สื่อสารแลกเปลี่ยนแล้วก็เป็นการปฏิบจชาวินิตาปริโยสาอุกาจิวินิตาคือการที่มาสอบถามทวนถามธรรมะซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยนะเหมือนกับขบขบให้แตกละเอียดมากขึ้นนะครับอืมอใช่ แล้วก็มันไม่ได้เป็นไปเพื่อการทุ่มเถียงกันหรือว่าชั้นแทงเธอเธอแทงชั้นด้วยหอกปากชั้นก็แทงเธอด้วยหอกปากไม่ใช่อย่างนั้นแต่เพราะเรามีความเคารพในธรรมะเราต้องการเปิดเผยสิ่งที่ยังไม่ได้เปิดเผยออกมาอันนี้เป็นเป็นชื่อรายการเปิดทำที่ถูกปิดนะครับทีนี้ต้องทําความเข้าใจกับท่านผู้ฟังนิดหนึ่งว่าในรายการภาคออนไลน์เนี่ยเป็นรายการที่เราทําได้เต็มที่ เพราะว่าเรามาด้วยอาสาสมัครหมรัตพงเองก็เป็นอาสาสมัครมาอาดมาก็เป็นอาสาสมัครมาครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้มีใครมาควบคุมการดําเนินรายการของเราก็จะเป็นลักษณะที่ว่าอยากพูดอะไรก็พูดครัเพราะฉะนั้บางทีมันก็อรับได้ก็รับได้รับไม่ได้ก็รับให้ได้ก็แล้วกันครับครับเอคือเราต้องช่วยพระเจ้าแหละเน้องด้วยวิธีไหนสักวิธีหนึ่งเนาะเผยแพร่ก็ ผมว่าดําเนินการตามข้อสี่ครับการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนี่ก็ใช้ใชแพทย์ธรรมสมควรแก่ธรรมครับแล้วบางทีเราพูดพูดไปเนี่ยมันก็มันก็นก อ, อไปตามน้ําอย่างเงี้ยนะครับอธรรมาก็จะไปตามน้ําไปเรื่อยๆอก็ก็เรียกว่าไม่ไม่ต้องเกรงใจใครมากนักหรือว่า อ, อ, อ, อไม่ต้องถูกเซ็นเซอร์อะไรทํานองนี้นะครับสบายใจได้ เพราะฉะนั้นไอ่สิ่งที่ฟังในรายการนี้ก็ให้สบายใจได้ว่าอ่าเป็นสิ่งที่เราคิดแล้วเราก็พูดแล้วเราก็ทําออกมาด้วยความจริงใจว่างกันเถอะแต่เรื่องความดีของตัวเองอย่าพูดมากนะถ้าไม่มีคนอื่นถามเนี่ยไม่ต้องพูดเลยถ้ามีคนถามจังหน้าพูดนิดเดียวเพราะฉะนั้นที่พูดมาเนี่ยนิดเดียวนั่นแหละเนาะอันนี้เป็นคุณสมบัติของสัตว์ตับบุรุษนะครับของสัตว์บุรุษใช่ใช่ของสัตว์บุรุษ คือถ้าไม่มีใครถามความดีของตัวเองเนี่ยพูดไม่ต้องพู ด, พดถ้ามีคนถามจังหน้านะพูดนิดเดียวครับอะถ้ามีคนถามพูดนิดเดียวถ้ามี ค, คนถามจังหน้าก็ไม่เล่าหมดอย่างนี้อครับแต่แต่ในกรณีนี้เราเก็บความดีนั้นเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงใจเราได้ไหมครับในในแง่ของปุถุชนซึ่งยังไม่ได้ถึงอริยชนอย่างเนี้ยครับ แต่รู้ว่าเรายังมีต้องการความดีที่จะหล่อเลี้ยงบ้างอย่างเงี้ยครับใช่ใช่อันนี้เป็นการกระทําเพื่อให้จิตเนี่ยมีการปรุงแต่งจิตเหมือนลันกษณะของการให้ทานเนี่ยการให้ทานมีมีทั้งหมดเจ็ดแบบใช่ไหมคนไหนให้ทานด้วยการที่ว่าหวังว่าผลจากทานอันนี้ได้อันนี้สองน้อยสุดแต่ ม, มากสุดก็คือว่าคนที่ให้ทานแล้วเพื่อเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเหมือนกันเราทําความดีเราไม่ได้หวังว่าคนอื่นจะยกย่องหรือว่าช่วยพริจ้าอะไรเราก็แค่หวังว่าให้จิตเรามัน ดีขึ้นสตราดขึ้นสูงขึ้นเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตอย่างงี้ครับครับโ อ, อครับก็ขออนุโมทนาทีนี้ประเด็นที่ต้องการจะพูดถึงในวันนี้ครับจะมีเรื่องที่ทิ้งประเด็นไว้ตั้งแต่คราวที่แล้วนะครับเรื่องของอะไรเรื่องอะไ ร, ร, ออะไรปฏิจจสมุ บ, บาทกับวิมุตซึ่งท่านภัยบุ์ทิ้งไหมว่าเอ๊ะ ปฏิจจสมุปบาทที่เราท uh, mm hmm. right mm hmm. eh, hmm. ี่เราได้ยินได้ฟังหรือศึกษามันเนี่ยก็จะกล่าวถึงขั้นตอนการเกิดขึ้นการดับไปขั้นตอนต่างๆเอ๊ะแล้วจะเข้าวิมุตติได้ตอนไหนอันนี้มาเจาะตรงนี้กันดีไหมครับดีดีก็คือมีอยู่ในพุทธปรชนะที่พระเจ้าได้ตรัสเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของความทุกข์ก่อนว่าความทุกข์เนี่ยมันเริ่มมาจาก มีเหตุก็คือการ<ม>เกิดถูกไหมการเกิดมีภพมีภ พ, ม, พมีอุปทานตันหาเวทนาผัสสะอเยตนะนามรูปบิณ ญ, ญาณอาวิชชาพวกนี้นะคครรัับบเนี่ยอวิชชานี่เป็นรางเงาของความทุกข์ก็เลยบอกว่าโอ้นี่ยแหละความทุกข์ทั้งมวลย่อมเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้คไล่ไปแล้วาปแล้วจะดับทำยังไงโอ้ความดับของทุกข์มีได้เพราะความดับแหงบ่งภพความดับแหงบ่งภพอุปทานตันหาเวทนาผัสสะ อเยตนะนำรูปวิญญาณพูดอย่างนี้อย่าเพิ่งเข้าใจว่ามันเป็นสายนะต้องขอเน้นย้ำอีกทีหนึ่งครับเพราะว่าเวลาที่พุทธเจ้าเปิดสมาการครั้งแรกเนี่ยเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนั้นจึงมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนั้นจึงเกิดขึ้นม า, าแค่คู่ๆเท่านั้นเองครับสิ่งเหล่านั้นคืออาการอย่างนี้เพลินก็จะพูดไปลักษณะนี้ทีนี้ถามว่าไอ้แล้วแบบว่าเวลาที่เรามีความทุกข์อย่างเงี้ยเราจะไปดับอวิชชาเนี่ยมันจะดับได้อย่างไรนระพุทธเจ้าก็ บอกว่าอทุกข์เนี่ยมันจะทําให้เกิดศรัทธาอไม่ใช่ว่าจะทําให้เกิดนะเพราะบางคนทุกข์เหลือเกินแต่ก็ไม่มีศรัทธาก็มีอืบางคนทุกมากมากเลยหรือไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่ทุกนิดนิดหน่อยหน่อยก็มีศรัทธาก็มีทีนี้พระพุทธเจ้าจึงใช้คําว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยได้หมายถึงหมายความว่าความทุกข์เนี่ยศรัทธาจะเกิดขึ้นได้ถ้าคุณมีความทุกข์ศรัทธาจะเกิดขึ้นได้ เป็นเหตุอันหนึ่งของการเกิดศรัทธาใช่ไหมครับอหมายถึงว่าเป็นไปได้อ๋อเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ที่คุณมีทุกข์แล้วคุณจะมีศรัทธาหมายความว่าบางคนมีทุกข์ก็ไม่มีศรัทธานะครับยิ่งทุกข์เป็นหนักไปอีกจมในความทุกข์อ่าทีนี้พระพุทธเจ้าจึงใช้คําว่าเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอ่าเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยครับอหมายความว่าหมายความว่ามันเกิดขึ้นได้เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยได้ ศรัทธาจะมีได้เนี่ยคนที่จะมีศรัทธาถ้าเขาต้องมีทุกแน่นอนแต่ไม่ใช่ว่าคนที่มีทุกทุกคนจะมีศรัทธาได้อะต้องพูด อ, อ, อย่า ง, ง, ง, ง, งนี้ถึงจะถูกใช่ไหมครั บ, ค, รบคนที่มีศรัทธาทุกคนแสดงว่าเขาต้องเห็นทุกมาก่อนอ่าครัครโอเคอย่างนี้การที่จะเห็นทุกขว่าเป็น อ, อยู่เจอความทุกข์แล้วจะเห็นจะเกิดศรัทธาก็ต้องใช้ปัญญาไหมครับในกระบวนการตรงนี้เพราะว่ามีมีอีกบางคนอีกอีกเยอะเลยที่ไม่เห็นใช่ไหมครับใช่ คนมีทุกข์แต่ไม่มีศรัทธาเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่มีปัญญาที่ต้องมีในเบื้องต้นแห่งปรมาจารย์ที่เราได้พูดไปเมื่สักครู่นี้เหตุปัจจัยสี่อย่าง ค, คุณไม่มีเหตุปัจจัยสี่อย่างไม่เคยเข้าหาสัพพะรุตไม่เคยฟังธรรมไม่เคยโยนิสงบนักสิการแล้วก็ไม่เคยปฏิปทาธรรมสมควรแก่ธรรมมันจะไปมีศรัทธาได้อย่างไรใช่ครับใช่ไหมมันจะไปมีปัญญาเพื่อที่จะให้เห็นเกิดความศรัทธาไม่ได้ก็อืมเพราะฉะนั้นพอคนมีศรัทธาแล้วเนี่ยอ่ามันจะมีความอิ่มเอิบใจคือปราโมท ครับอืพอมีปราโมทแล้วก็จะมีปีติปีติอปีติคือก็เรียกว่าความอยู่แบบใจความตื้นตันใจว่างท่านเถอะครับพอมีปราโมทมีปีติแล้วเนี่ยกายของเราจะสงบระงับที่เรียกปัสสธิอ่ากายสงบระงับเนี่ยใจก็สงบระงับด้วยนะเพราะว่าใจเนี่ยมันไม่ไปเที่ยวคิดนั่นนี่โน่นอคิดเรื่องการคิดเรื่องปฏิบัติคิดเรื่องเปลี่ยนแปลงก็มีความสงบระงับนะกายของผู้นั้นก็ชื่อว่าระงับแม้กายก็ระงับแม้จิตก็ระงับ พอกายและจิตระงับอย่างนี้เนี่ยผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้มีสุขอืเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่เล่าร้อนแล้วจิตไม่เล่าร้อนกายไม่เล่าร้อนครับหมอนทวงเคยเห็นคนที่เวลาที่เราจิตเราไม่เล่าร้อนไม่อยเดี๋ยวงานนี้จะเป็นยังไงงานนั้นจะเป็นยังไงอย่างนี้นะจิตคิดนู่นไม่คิดนู่นไม่คิดนี่อย่างเงี้ยนั่นคือจิตที่เป็นสงบอฟื้นปัจจินั่นแหละจะมีความสุขออืเราจะมีความสุขอยู่ในใจ ความสุขตรงนี้จะเป็นเครื่องวัดระดับของสมาธิของเราอืออ่าเพราะฉะนั้นพอมีสุขแล้วเนี่ยก็จึงมีสมาธิครับพอมีสมาธิเนี่ยคนมีสมาธิเนี่ยย่อมเห็นได้ตามที่เป็นจริงอ๋ออ่าเห็นเห็นตามที่เป็นจริงเห็นได้ตามที่เป็นจริงซึ่งอะไรอันนี้เราเคยพูดไปแล้วด้วยเจตอาการอ่าครับเจตอาการพูดง่ายๆที่หมอรตพงศจะพูดตะกี้แหละก็คือว่าเกิดดับใช่ไหมแปลนเกิดกันดับอ่าโดยพุทธวจนะก็จะพูดว่าเห็นตามที่เป็นจริงว่าอ่า สิ่งสิ่งนี้ไม่เที่ยงเป็นของป ร, รุงแต่งมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความจางคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดามีเจ็ดอย่าง<ม>อืม<อ>ก็คือแยกย่อยอาการของการเกิดและการดับก็ผ่านต้องผ่านการเสื่อมกันอะไรต่างๆเจ<อ>็ดอย่างนี้ก็คือว่าเป็นเขาเรียกว่า<อ>เป็นคําพร้องความหมายซึ่งกันและกันอ๋อครับเป็นความพร้องความหมายซึ่งกันและกันในทั้งหมดเจ็อาการนี้ครับนี่ พูดถึงว่าเป็นความละเอียดของพุทธวจนะนะครับว่าโอ้โห เ, เราคิดว่าเกิดกระดับก็เห็นแค่ว่าเหมือนกับเออเกิดก็คือเหมือนขาวกับดําอะไรทําองเนี้ฮะอันนี้พระ<ม>พุทธเจ้าสามารถซอยย่อยออกเป็นอาการย่อยๆเนี่ยอืนับว่าเป็นภูมิปัญ ญ, ญานิลึกซึ้งจริงๆนะครับครับก็มีพูดไว้หลายที่ไงในบางบที่ก็พูดแค่ว่าเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปของอาการนี้ก็มีทีนี้ถ้าเราจะเอาละเอียดก็คือมีเจ็ดแบบ ออทีนี้การเห็นอย่างนี้คือการเห็นตามที่เป็นจริงครับผู้ที่เห็นตามที่เป็นจริงอย่างเนี้ยจะเกิดความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายในอะไรเบื่อหน่ายแม้ในความรู้สึกที่เป็นสุขเบื่อหน่ายแม้ในความรู้สึกที่เป็นทุกข์ความทุกข์ก็เบื่อนะมาดถงทุกข์ก็เบื่อสุขก็เบื่อสุขก็เบื่อเบื่อหน่ายแม้ในความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขออืมเหมือนอุเบกหาก็เบื่อเบื่อเบื่อเนี่ยไม่ใช่เบื่อเซ็งนะแต่เป็นหน่าย ใช่เพราะว่าใช้พูดคำว่าง่ายๆคือหนายแล้วกันหน่ายก็คือว่าอ่ามันหน่ายมันไม่เหมือนเบื่อเซ็งเบื่อเซ็งนี่คือไม่เอาละชั้นอ่าเบื่อเบื่อเซ็งนี่ก็คือเลิกไปทําอย่างอื่นอ่าคือคนละเหตุปัจจัยเลยไะถ้าเราพูดถึงคำว่าเบื่อเซ็งเนี่ยมอรัตพงือครับเห็นไม่เหมือนกันเหตุของคนเบื่อเซ็งเนี่ยเพราะความขี้เกียจหรือว่าความที่ไม่ชอบใจจึงมีการเบื่อเซ็งแต่คนที่จะเบื่อหน่าย นิพิทาได้ใช้ภาษาบาลีก็แล้วกันนิพิทาได้เหตุอ hey, ของนิพิทาเนี่ยคื อ, อความเห็นตามที่เป็นจริงเห็นตามที่เป็นจริงจะมีนิพิทาแต่คนที่ไม่พอใจมีความอยากก็จะมีเบื่อเซ็งผลนะก็จะไม่เหมือนกันนะนิพิทาคื อ, อความเบื่อหน่ายเนี่ยผลที่จะเกิดขึ้นก็คือสามารถปล่อยวางได้แต่คนที่เบื่อเซ็งเนี่ยก็จะไปหาความสุขทางกามอย่างอื่น ใช่ครับเหตุก็ไม่เหมือนกันผลก็ไม่เหมือนกันแล้วสิ่งที่อาศัยเกิดขึ้นเนี่ยก็คือจิตเนี่ยจิตของคนที่มีนิพพิทาเนี่ยเป็นจิตที่มีสมาธิเป็นจิตที่สงบแต่จิตของคนที่เบื่อเซ็งเนี่ยเป็นจิตที่มีความทุกข์ถูกไหมเบื่อเซ็งนี่ก็จะไม่หาอย่างอื่นทํามันก็อมันไม่มีความสุขละเบื่อเซ็งละอย่างเงี้ยนะแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นก็ไม่เหมือนกัน ผลที่เกิดขึ้นของเวลาเบื่อเซ็งเนี่ยการงานเสียหายใช่ครับอแต่คนที่เบื่อหน่ายแล้วปล่อยวางได้เนี่ยเขาก็รับผิดชอบจิตเขาก็จะไม่เป็นทุกข์แต่รับผิดชอบต่อหน้าที่การงานต่อไปอืเพราะนั้นก็จะมีความระยะที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่ า, เ, าเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายบางคนอย่าไปสับสนกับควาว่าเบื่อเซ็งไม่เหมือนกันครับอแต่ถ้าคุณเห็นตามที่เป็นจริงแล้วมันจะเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายในอะไรเช่น อไปดูหนังฟังเพลงเล่นไปกินเที่ยวเที่ยวเทคมันบเบื่อหน่ายละลักษณะอย่างนี้นะเหมือนกับเห็นว่าไม่ไม่มีประโยชน์อะไรกับชีวิตอยกตัวอย่างของเล่นเด็กแล้วกันใช่สมัยก่อนของเล่นเด็กเช่นรถขับสามล้อตุ๊กตาบาร์บี้ตัวต่อเลโก้ยโยนลูกดิง่งลูกหินชุดเครื่องปั้นดินเผาอะไรชุดเครื่องครัวดินเผาอะไรต่างๆเนี่ยที่เราแมหมหวงแหนมากๆสมัยเด็กๆนะใครแตะไม่ได้เลย อย่างนี้นะแต่พอตอนนี้ทําไมอ่ะทําไมทําไมไม่ไปเล่นแล้วเพราะว่าเหมือนกับว่าเบื่อหน่าอ่ไม่ไม่เห็นประโยชน์ประโยชน์ของของสิ่งเหล่านั้นเห็นตามที่เป็นจริงแล้วไงครับเราเห็นตามที่เป็นจริงแล้วว่าอ๋อเราไม่มีความจําเป็นอะไรที่จะต้องมายึดถือในสิ่งนี้เช่นเดียวกันคุณต้องเห็นความที่เป็นจริงในเงินที่หายความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจคนธรรมดาเราคุณต้องเห็นตามที่เป็นจริงเหมือนกันว่าตัวเราไม่ใช่ของไม่ใช่ตัวตนจะปล่อยวางได้อย่างนี้ ครับทีนี้เอาให้มันสุดซะก่อนครับพอเบื่อหน่ายตรงนี้แล้วเนี่ยจะมีความอคลายกําหนัดคลายกำหนัดคลายกำหนัด ใ, ใช่ไหมคลายกำหนัดก็ปล่อยวางได้ครับลายกําหนัดก่อนแล้วค่อยปล่อยวางหร่าเกิขึ้นพร้อมกันนะครับคลายกําหนัดก่อนคลายกำหนัดก่อนแล้วค่อยปล่อยวางแล้วก็จึงปล่อยวางเพราะฉะนั้นอาการที่จิตของเราเนี่ยมีความกําหนัดมีนันติใช่ไหมความกําหนัดด้วยอานาจความเพลินนี่แหละ เป็นนะเหมือนเพชฌฆาตคนที่หกที่เที่ยวไปในอากาศได้คอยตัดคอเราอยู่อืมตัวความเพลินนี่นะครับถูกต้องถูกต้องเพราะตรงนี้แหละเป็นจุดที่ว่าอารมณ์ของเราเนี่ยจะไปเที่ยวเกาะเกี่ยวในสิ่งต่อไปไหมลิงจะไปเที่ยวขนเชื่อกต่อไปไหมอย่างนี้ก็อยู่ที่ว่าตัวความเบื่อหน่ายตรงนี้ว่าคุณเบื่อไหมละ่ะถ้าคุณเบื่อหน่ายหน้านะคุณก็จิตของคุณเนี่ยก็จะไม่ไปเกาะเกี่ยวสิ่งอื่นต่อไป พอไม่ไปเกาะเกี่ยวสิ่งอื่นต่อไปเนี่ยก็ไม่มีการยึดถือสิ่งอื่นๆว่าจะเป็นยังไงต่อไปก็ชื่อว่าวีมุาทีนี้พอถึงวิมุิแล้วเนี่ยวีมุดคือความหลุดพ้นหลุดพ้นจากอะไรหลุดพ้นจากความยึดถือในขันตั้งห้าว่านั่นเป็นเรานั่นเป็นของเรานั่นเป็นตัวตนของเราพอหลุดพ้นในความยึดถือต่อไปตรงนี้ก็จะเกิดความสามารถในการเห็นว่าอ๋อหลุดพ้นแล้ว จึงใช้คําว่าวิมุตติยานัศนะอยานยานคือความรู้ใช่ไหมทัศนะในการเห็นคือการรู้เห็นในความสิ้นไปในการเข้าไปอยู่ในวิมุตต์เนี่ยครับคือต้องถึงวิมุตติยานัศนะก่อนจึงเข้าสู่วิมุตต์ใช่ไหมครับอย่างนั้ไม่เข้าสู่วิมุตต์ก่อนหรือว่าอเข้อเข้าสู่วิมุตต์ก่อนจึงถึงวิมุตติยานัศนะอ๋อม เป็นอย่างนั้นหมห ม, หมอท่านทวงว่าเหมือนคือน่าจะมาพร้ อ, รอมๆกั น, นเนอะครับจริงๆยังยังออาจจะเข้าใจผมผมไม่ไม่แตกว่านึกว่าต้องมีวิมุติยานทัศน์นะก่อนเหมือนความรู้ในวิมุติก่อนถึงจะเข้าถึงวิมุติแต่แต่ครับจริ ง, รงๆนี่เป็นยังไงครับคือผมอาจจะเข้าใจผิดก็ได้ต้องพูดอย่างนี้ว่าเคยใครเคยไปประเทศมาเลเซียหรือว่าเพื่อนบ้านประเทศไทยอ่ะ ตอนที่โดยโดยสารโดยทางรถยนต์<ช>นะโดยขับรถเข้าไปอย่างงี้นะครับจะพบว่าถ้าสมมติเราลงใต้ไปในทางอำเภอเบตงหรือว่าอำเภออะไรที่เป็นชายแดนกับปางเบซาร <TAKE. S 2> ์ปางเบซาอย่างนี้นะทางสงขลาเนี่ยเข้าไปเนี่ยจะพบว่าป้ายบอกประเทศมาเลเซียเนี่ยอยู่ในดินแดนของมาเลเซียใช่ครับอจะป้ายบอกประเทศมาเลเซียจะไม่อยู่ในดินแดนไทยถูกต้องครับอ่าเหมือนกันว่าป้ายบอกชื่อว่าไอ้อันนี้วิมุตแล้วนะก็อยู่ในวิมุต อ๋อครับเพราะนั้นเพราะว่าอะไรนิพพานเนี่ยมันไม่มีสิ่งที่คุณจะสามารถใช้อายตนะในการรับรู้ได้ใช่ครับเพราะฉะนั้นอายตนะของคุณเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นในในโลกนี้แน่นอนจะไม่เกิดขึ้นในในสิ่งที่คุณสามารถรับรู้ได้ซึ่งความรู้ตรงนี้ว่านิพพานมีอยู่เนี่ยต้องไปอยู่ในฝั่งนิพพานอืมอ๋อเพราะฉะนั้นให้ให้ได้ให้ได้ก่อนพระเจ้าจึงบอกว่าวิมุตติยานัทสนะเนี่ยจึงมีวิมุติเข้าไปเป็นที่ตั้งอาศัยก็หมายความว่าไอ้วิมุตติญานัทสนะเนี่ยจะไปอยู่ในวิมุ ครับครับเข้าใจแล้วครับครับแม่ครับพอยกเรื่องป้ายนี้ชัดเลยครับอผ <c oughs> ู้เรียนยกอุปมาว่าไงที่ชัดเจนมากนะผู้เจ้าบอกว่าเปรียบเหมือนเมื่อฝนหนักๆตกลงบุญภูเขาน้ําฝนนั้นย่อมไหลไปตามที่ลุ่มย่อมทําซอกเขาซอกผาและลําห้วยทั้งหลายให้เต็มครั้นซอกเขาซอกผาและลําห้วยทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทําบึงน้อยๆทั้งหลายให้เต็ม ครั้นบึงน้อยๆทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทําบึงใหญ่ๆทั้งหลายให้เต็มครั้นบึงใหญ่ๆทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทําแม่น้ําน้อยๆทั้งหลายให้เต็มครั้นแม่น้ําน้อยๆทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทําแม่น้ําใหญ่ๆทั้งหลายให้เต็มครั้นแม่น้ําใหญ่ๆทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทํามหาสมุทรสาครให้เต็มเหมือนกันอย่างนี้อืเป็นลําดับไล่ลงมาใช่เพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าอ่าเราก็ต้อง ทําไมเรามีศรัทธาแต่เราไม่เห็นมีความสบายใจไม่มีความสุขเลยคุณต้องทําให้เต็มก่อนครับพอคุณทําเต็มแล้ว ok. ใช่ไหมมีปีติตมีสุขละอ่ะเอทำไมฉันก็มีความสุขใฉันไม่เห็นมีสมาธิเลยอ้าวทำให้เต็มก่อนออแต่มีสมาธิแล้วเอฉันก็มีสมาธิแล้ว น, นั่งจิตสงบแต่ทําไมไม่เห็นตามที่เป็นจริงเลยเอาก็ทําให้เต็มเป็นลําดับลําดับไปอย่างนี้อืเพราะเห็นตามที่เป็นจริง แล้วเอาทำไมเห็นปล่อยวางไม่ได้สักทีเห็นเกิดดับเนี่ยเห็นจนมาหลายปีแล้วเอาทําให้เต็มก่อนไม่น้ําบางทีอาจจะเต็มอย่าช้าอย่างเงี้ยนะเพราะมันใหญ่ครับครับก็มันคือว่าต้องทําให้บ่อยทําให้มากทำให้นานทีนี้ทีนี้ว่าเมล็ดฝนเม็ดฝนแม้หนึ่งเม็ดก็มีความสําคัญหมอแล้วสะปงครับหมายความว่าเราเนี่ยคุณทำห้านาทีสินาทีก็เอานะยาคิดว่าโอ้โอไม่ทําหรอกเออนิดนิดหน่อยหน่อยไม่ต้องทํา ไม่ได้เลยแม้เม็ดฝนเม็ดเดียวก็สำคัญเหมือนกันที่หลวงพ่อดอกเตอร์สาดเคยเล่าให้ฟังนะที่หนองหานตอนนั้นเนี่ยฝนตกฝนตกสามวันสามคืนไม่หยุดเลยนะน้ำท<อ>่วมถึงเอวนั่นนะ่ะครับเพรมันแค่ตกทีละเม็ดเองนะหม<อ>ตกทีละเม็ดต่อเนื่องต่อเนื่ อ, องสาวันแล้วมันไม่หยุดแล้วมันเรื่อยๆโอ้โหน้ำท่วมขนาดว่ากกเกษตรกรรมอะไรต่างเสียหายไปมาก เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องนิดนิดหน่อย น, น่อยเราก็เอาเก็บ oh. นะอย่าเห็นโทษให้เห็นโทษในภายแม้เพียงเล็กน้อย oh. ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าให้หยิบฉวยได้ไวในกุศลและธรรมอันนี้ตรงคือคือประมาณนี้ไหมครับว่าคืออะไรก็ได้เอาไว้หนึ่งนาทีห้านาทีให้หยิบฉวยไว้ที่มันเป็นกุศลอย่างนี้ oh. ใช่ไหมครับ ใช่ใช่คือหมายความว่า<ม>ในในพระสูตรนี้พูดถึงคนที่จะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ช่วยเหลือผู้อื่นได้นะถ้าเป็นผู้จับช่วยได้ไวในกุศลธรรมทั้งหลายหมายความว่าเห็นแง่มูลตรงเนี้ยอ๋ออันนี้เป็นสิ่งกุศลอ๋ออันนี้เป็นสิ่งอกุศลอย่างสมมุติ อ, อาจจะมีเราไปวัดอย่างเงี้ยอุย้ยห้องน้ําไม่สะอาดแต่เรารไม่ทำอย่างเงนะอพอไม่ทํำปุ๊บรู้หรือเปล่าในจิตตัวเองเนี่ยมีอกุศลเกิดขึ้นนิดหนึ่งเช่นว่า เฮ้ยขี้เกียจทํำหรือในใจนึกด่าคนอื่นเอ้ยทำไมเจ้าหน้าที่ไม่ทําหรือว่าตัวเองมีความรังเกียจขึ้นมานั่นแหะอกุศลนำเกิดละเห็นหรือเปล่าถ้าเป็นผู้ฉลาดสามารถจับช่วยได้ไวในกุศลนำทั้งหลายต้องแก้ทันทีโดยการล้างทันทีล้างเลยโดยการละอกุศลในจิตทันทีอย่างเงี้ยอ่าก็มันก็จะตีกลับมาเป็นกุศลกุศลธรรมใช่ผู้เนี้ยจะเป็นผู้ที่เรียกว่า ก็เรียกว่าจับจ่วยได้ไวในกุศลธรรมทั้งหลายโอครับทีนี้ความเพียรเนี่ยเราก็นิดหน่อยก็ทำนะเดินไปสังเกตลมหายใจได้สามลมก็เอาโอเดินไปไมีสติระลึกแลึกระลึกรู้ให้ได้ใช่ครับเขาด่าเราแทนที่เราจะโกรธเขามากหรือด่ากลับเราก็โกรธเขาน้อยหน่อยก็เอาอย่างนี้ครับน้อยมากก็เอาอย่างนั้นแหละอืมเอาก็เอาเพราะว่า ความเพียร น, นี้เป็นสิ่งที่เราต้องกระทำ ม, มากมากเลยต้องสะส ม, มครับเพราะฉะนั้นด้วยอาการอย่างนี้แหละที่เรียกว่าคนที่ทําความเพียรก็เรียกว่าเป็นลําดับขั้นของการเกิดขึ้นนะเหตุปัจจัยที่จะทําให้ไปถึงมีมุตได้เช่นเดียว ก, กันไอ้พวกปีติปสัสสติสุขสมาธิต่างๆเนี่ยก็เป็น ค, คู่คู่เหมือนกัน<อ>เพราะฉะนั้นเราต้องอคู่ ค, คู่ในลักษณะที่ว่า มันต้องเต็มด้วยนะเต็มไปเต็มไปอ่ะอ๋อจะเป็นลำดับต้องเต็มในในส่วนเหมือนว่าจัดจัดจัดที่ทำเล่าออ่าสมบูรณ์และและบริบูรณ์สมบูรณ์และบริบูรณ์อ่าครับครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องค่อยๆทําไปในลักษณะนี้ครับมีไหมครับข้ามขั้นเหมือนประเภทพาชั้นอะไรอย่างเงี้ยเอ่อถ้าถ้าเมื่อไหร่ที่พระเจ้ายกอุปมาอุปมานี้นะมันจะต้องเป็นอย่างนั้นอ๋อจะต้องเป็นตามนั้นแต่ว่าเรื่องของ ส่วนที่มาก่อนส่วนความเกิดขึ้นของทุกส่วนความดับไปของทุก์เนี่ยจะไม่ได้เคยยกอุปมาอุปไมยนี้อ อ, อครับครับจะที่ยกอุปมาอุปไม่นี้เนี่ยก็จะมีเฉพาะส่วนที่ทําให้เกิดวิมุตครับอืมก็อืมต้องอาศัายความเพียรอย่างยิ่งนะครับอย่างยิ่งยวดนะครับอ่า ค, ค่อยๆทาไปอย่างนี้นะครับครับอย่าละทิ้งเสียก่อนครับใช่ แล้วก็อันนี้เป็นที่ท่านพุทธทาสบอกว่าเป็นปริจจสมุบาทแบบ24อาการอ๋อสายเกิดกับสายดับใช่ไหมครับสายเกิด12อาการสายดับ12อาการอย่างนี้ไหมครับไม่ไม่ใช่<ม>เป็น<ช>คนละเป็นคนลำดับอ๋อเป็นยังไงครับท่าน24อาการ24อาการก็คือหมายความว่าจาก อ, อาวิชชามาถึงทุกข์ใช่ไหมครับผม แล้วจากทุกไปสัทธาสัทธาไปปรโมดปีติประสาทิเนี่ยไปอีกสิบสองอาการจนกระทั่งถึงวิมุตติผมยังอ่านไม่เจอครับต้องไปสืบค้นต่อโอเคก็คือเป็นพอเราเห็นแล้วเนี่ยเราจะพบเลยโอ้โหทางออกมันอยู่ตรงนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อไหร่ที่วิมุตติเกิดนะอวิชชาดับทันทีเมื่อไหร่ที่วิมุตติเกิดนั่นคือวิชาเกิดวิชาเกิดก็คืออวิชชาดับอวิชชาดับเนี่ยมันก็คือคือ ไล่กันไปอย่างนั้นนั่นเองครับ uh, เพราะฉะนั้นพอเราเห็นเมืองแง่มงตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะพบโอ้มันไม่ยากเลยถ้าเราเห็นความทุกข์นะแล้วเราทําให้เรามีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เนี่ยนะมันไปได้ครั บ, รบเราไม่ต้องรอให้ถึงขนาดป่วยเป็นมะเร็งขั้นสี่ไม่ต้องรอให้ถึงกับจนจนไม่มีอะไรเหลือเป็นหนี้เป็นพันล้านไม่ต้อง ร, รอให้ถึงขนาดว่าแกงงอมจนกระตั้งผมห ง, งอก หรือไม่ต้องรอให้ถึงกับว่าเจอความทุกข์หนักๆที่เรียกว่าทุกเขเวทนาอันแทบจะนําไปเสียซึ่งชีวิตเอาคแค่เราหายใจเข้าหายใจออกแล้วกินข้าวเสร็จหรือกินข้าวเสร็จแล้วต้องไปข้าห้องนะอันนี้ก็ทุกข์พอแรงแล้วหมอรัตพงครับครับเหมือนกับเป็นภาระของชีวิตนะ เ, <c oughs> เพราะฉะนั้นพอเราเห็นแงม่มุมตรงนี้เนี่ยเฮ้ย <c oughs> เราต้องควรจะมาให้มีสรัทธาไว้ศรัทธ า, าไม่ได้ ศรัทธาเนี่ยพระพุทธเจ้าใช้คํานี้นะให้ชัดเจนพระพุทธเจ้าบอกว่าศรัทธาเนี่ยต้องเขารียกว่าปลูกศรัทธาสรรพนามที่เขาเรียกว่าอะไรคํากิริยาที่ใช้กู่กับศรัทธานครับจะต้องใช้คําว่าปลูกศรัทธาปลูกนี่เห็นภาพเลยนะครับคือต้องทํานอกจากปลูกแล้วจะต้องทําให้งอกงามด <w> <ori> ้วยปลูกเนี่ยคุณจะปลูกอะไรคุณต้องเพาะต้นกล้าพรวนดินใส่ปุ๋ยลดน้ำให้ถูกแดดให้บังแดดโอ้โหมัน ไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บจะเสกเหมือนกับแฮร์รี่พอตเตอร์มีไม้เลยเสกปุ่มขึ้นมาได้ต้องอาศัยเหตุปัจจัยมากมายเลยใช่ต้องค่อยๆทําไปครับอหมายความว่าค่อยๆปลูกไปครับอเพราะฉะนั้นถ้าเราปลูกถูกปลูกดีเนี่ยเราก็ก็ดีเราก็จะมีศรัทธาเกิดได้แล้วศรัทธานี่เป็นสิ่งที่สําคัญศรัทธาเนี่ยหมายถึงความมั่นใจครับมั่นใจในคําสอนของพระเจ้าอย่างเช่นในวันวิสาขบูชาที่ผ่านมาเนาะ ใช่ฮะว่าว่าเป็นเป็นเครื่องยืนยันอย่างหนึ่งหมอมรัตถวงที่ว่าความยืนยันในการมีของสมณโคดมความยืนยันในการมีของสมสมาสัมพุทธเจ้านะเขาถึงกับยกวันหนึ่งให้เป็นวันที่สําคัญของโลกเลยนะครับปัจจุบันนี้ขอ ง, <า>งโลกเลยยูเนสโประกาศเลยว่าเป็นวันสําคัญของโลกนะครับทีนี้ทําไมอยู่ๆเขถึงมาประกาศเป็นวันสําคัญของโลกอา้อาวคือคนที่ยังมีกิเลสหรือว่าคนที่อ ก็ก็ยังคงที่เป็นคนที่แบบว่ามีการเมืองอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องก็ไม่รู้แหละแต่ว่าถ้าเขาให้ความสําคัญแล้วเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องมาดูพิจารณาว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงให้ความสําคัญเขาไปตรวจสอบข้อมูลทางด้านประประศาสตร์ตรงส่วนไหนอย่างนี้นะนะเพราะฉะนั้นเราเป็นคนที่เรียกว่าฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าเองก็จรงิงเราต้องยิ่งให้มีความมั่นใจในคําสอนของพระพุทธเจ้าให้มีความมั่นใจใน การปฏิบัติให้มีความมั่นใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้มีความมั่นใจในมรรคให้มีความมั่นใจในข้อปฏิบัติถ้าไม่มีไม่ได้ไม่พอไม่เต็มยังไม่ปลุกไม่ขึ้นให้ถามเสียครับอย่าต้องมาเดือดร้อนใจในภายหลังว่ามีโอกาสถามแล้วไม่ได้ถามไม่ได้ครับถ้าถามเองไม่ได้ฝากคนอื่นถามครับถ้าฝากคนอื่นถามไม่ได้ให้เขียนมาถามเข้าใจไหมถ้าถามแล้วจะสามารถให้มีความมั่นใจเพิ่มขึ้นได้ให้ถาม นี่เป็นลักษณะอาการที่พระพุทธเจ้าเนี่ยพูดกับภิกษุตอนก่อนที่จะปรินิพพานในยามสุดท้ายของราตรีให้ถามท่านท่านพูดว่าะพูดว่าให้เธอเนี่ยใครที่ยังมีความเห็นแย้งมีข้อไม่เอาสงสัยในในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในมักในข้อปฏิบัติให้ถามเสียไม่มีใครถามตลอดทั้งน่งนิ่งเงียบหมด พระเจ้าก็บอกว่าถ้าไม่ถามเองให้คนอื่นฝากคนอื่นถามก็ได้ครับอย่ามาต้องเดือดร้อนใจว่าอยู่ต่อหน้าพระพักพระผู้มีพระภาคแล้วไม่มีโอกาสถามครับเพราะฉะนั้นถ้าก็เลยพระเจ้าพูดอย่างนี้นะอัตมาก็อ่านแล้วรู้สึกซึ้งก็เลยเอามาใช้บ้างอันนี้พุทธวจนะอันนี้กับที่ให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาณนี้อันนี้ต่อเนื่องกันไหมครับเพราะว่าเหมือนกับว่า เป็นปัจจิมโอวาใช่ไหมครับใช่ใอ๋อ oh, oh. อันนี้คนไม่ค่อยพูดถึงนะครับส่วนใหญ่เราจะรับทราบกันว่าที่พระองค์บอกว่าให้พิสูจน์ทั้งหลายให้ดารงตนด้วยความไม่ประมาทเถิดอย่างนี้นะครับอ๋อ mm hmm. oh, มีก่อนหน้าด้วย mm hmm. เรื่องของการถาม oh, ใช่ใช่เพั้นให้มีความมั่นใจครับนะความมั่นใจเนี่ยยังมีหลายระดับหมอรัตพงศ์ครั บ, รบมั่นใจหลายระดับ เพราะฉะนั้นมันถ้ามันมีมากแล้วมันก็มีขึ้นไปอีกได้คุณจะมั่นใจว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงเนี่ยนะจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นสัมมาสัมพุทธะจริงพระธรรมเป็นสวาาัสดิจักรจริงพระสงฆ์เนี่ยเป็นสุปฏิปันน้นจริงเนี่ย ค, คุณต้องมีความมั่นใจระดับว่าทําให้ตัวเองเนี่ยรู้ว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิดที่ควรทาได้ทําเสร็จแล้วคิดอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกระดับนั้นเลยอถึงจะมีความมั่นใจว่าโอ้โห คําสอนพระเจ้านี้เลิศจริงๆไนะครับอืเป็นครับคําสอนเป็นเรียกว่าอ่าเป็นความจริงสัจจความจริงที่ไม่จํากัดการนะครับใช่ใครั บ, รบแล้วพระพุทธเจ้าก็ละเอียดรับคอบนะบัญญัติอะไรต่างเราก็หาที่คานไม่ได้ครับครับ <ๆ S 1> ทีนี้ในในแง่ของวันวิสาขาบูชาเนี่ยพระอาจารย์อ่าจะมี ข้อระลึกหรือว่าข้อเตืนใจอะไรแก่พุทธศาสนิกชนว่าเออในเนื่องในโอกาสเนี่ยในช่วงเวลาสัปดาห์แห่งพุทธศาสนาวันสําคัญเนี่ยอาจารย์มีอะไรจะฝากนะครับอืมก็อย่างที่พูดไปเมื่อสกักครู่นี้ครับให้มีความมั่นใจให้ทําให้อ่าคนสําหรับคนที่ยังไม่มีความมั่นใจหรือว่าคนที่ยังมีความมั่นใจไม่เต็มขั้นหรือคนที่มีความมั่นใจแบบนิดนิดหรือว่าอยางเกือบเต็มอ่ามีบางส่วนแต่ยังไม่มีในบางส่วน ให้มีความมั่นใจสเตอะให้มีความมั่นใจเต็มที่เลยนะส่วนเรื่องคนที่มีความมั่นใจเต็มที่อยู่แล้วก็ให้ปฏิบัติต่อไปอยู่แล้วอย่างยิง่พระสงฆ์เนี่ยน ะ, ะวันทุกวันเนี่ยสำคัญเหมือนกันหมด<อ>เราจะไม่ได้มีความสำคัญคือพระไม่มีวันหยุดจริงๆอ่ะวันพระคราว่าเขามีวันหยุดเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมพระนี่วันพระคิดว่าตัวเองจะได้หยุดนะก็ไม่ได้หยุดนะ งานหนักกว่าเดิมอีกวันพระอย่างอย่างพระที่ทํางานอยู่ที่มหาวิทยาลัย่นะมมรหรือมจรนี่นะมจรมหาจุฬาอวันพระท่านหยุดนะับเวันพระท่านหยุดนะครับเอแต่ว่าอย่างเราไม่ได้หยุดนะก็คือทุกวันเหมือนกันคือจริงๆถ้าบอกว่าทุกวันเป็นวันหยุดเนี่ยจะก็จะพูดอย่างนั้นน่าจะถูกกว่าคือเหมือนกันท่านผู้ฟังที่ทํางานอยู่ะตื่นเช้ามาต้องไปทํางานถ้าเมื่อไหร่เรามีความรู้สึกว่าโอ้ยวันจันทร์นัดต้องไปทํางาน ยากจังเลยอันนี้ไม่ถูกแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีความรู้สึกว่าเอ้ยฉันไปทํางานเนี่ยเหมือนกับไปมีวันหยุดทํางานก็คือเป็นวันที่เรามีความสุขมีวันหยุดอย่างเงี้ยนี่แหละเป็นสิ่งที่ถูกคือมีวันหยุดทุกวันว้างกันเถอะครับทําเรียกว่าอะไรมีใจเป็นสุขนะครับมีใจเป็นสุขครับมีอันนึงเรื่องของการบูชาที่พระพุทธองค์เคยบอกว่าการบูชาที่สูงที่สุดเนี่ย เหมือนบอกว่าให้เป็นปฏิบัติบูบชาชอย่างนี้ใช่ไหมครับพระอาจารย์เพราะว่าเราเราเห็นในสังคมปัจจุบันเลยว่าเออบางคนบูชาอ่าแค่ไปบอกว่าไปเวียนเทียนอ่าได้ละหรือว่าไปแค่ทําบุญทําทานหรือว่าให้ปล่อยนกปล่อยปลาหรือบางคนก็ไปบูชาพระไปเช่าพระอะไรเนี่ยมันก็ว่ายังไม่เห็นสิ่งที่สําคัญสูงสุดนีพระอาจารย์ให้ข้อคิดตรงนี้ได้ไหมครับก็คือการปฏบิบัติเป็นเรื่องที่จิตไงหมอรัตพงครับ เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเขาไปเวียนเทียนแล้วจิตเขาไม่มีนิวรณ์เขาไม่มีเป็นสัตสายไม่มีมิจฉาทิฏฐิอันนี้เขาก็ปฏิบัติบูชานะครับอไปเดินเวียก็ดีก็ดีของเขาคใช่ไหมทีนี้ว่าพระพุทธเาปารภเหตุตรงเนี้เพื่อว่าสอนสอนภิกษุที่ว่าอาจจะอยู่ไกลแม้ร้อยโยศอย่างเงี้ยคุณไม่ได้ไปวัดก็ไม่เป็นไรนั่งอยู่บ้านก็ถือว่าบูชาแล้วนะฟังธรรมะ กราบอยู่ที่บ้านก็ถือว่ากราบแล้วบูชาแล้วบางคนครูบาอาจารย์ไปกรุงเทพอย่างเงี้ยอาจจะไม่ <Okay. S 2> มีโอกาสไปพบนะติดภารกิจอยู่ที่บ้านหรือที่ทํางานเนะี่ยถ้าใจระลึกถึงไม่มีนิวรณเป็นจิต ท, ที่มีสตินะมีเอกคัตตามีปิติปรามโมทอย่างเงี้ยก็ถือว่าบูชาแล้วเพราะฉะนั้นตรงข้อความนี้ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสไว้ในวันปาริณิพานกัน วันวิสาขาบูชาวันนั้นตอนนั้นคืนนั้นเนี่ยพอประทับศรีอยาสายาแล้วเนี่ยน ะ, ะปรากฏว่ามีดอกมนทารพนะดอกมนทารพบในเป็นดอกไม้ที่ไม่มีในในโลกมนุษย์นะในโลกโอดอกสาระอยู่ๆก็ผลิผลิฤ ด, ดูออกมาดอกมนทารพที่ไม่มีในโลกก็ร่วงลงมากลิ่นหอมเป็นทิพดนตรีเป็นทิพเนี่ยได้ตกลงและบรรเลงขึ้นเพื่อบูชาพระตรัตถากตเจ้า เจดีนี้บูชเาก็เลยบอกว่าโอ้ยอันนี้ยังไม่ใช่การบูชาอันสูงสุด อ, อแต่ถ้าภิกษุภิกษุณีวุาสกอุบาสิษษกาใดเนี่ยปฏิบัติธรรมสม坤แก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่เนี่ยก็ชื่อว่าบูชาตราคด้วยการบูชาอันสูงสุดอืครับอันนี้มีมีเรียวามมีความหมายนะครับอืมใช่ครับเพราะฉะนั้นตอนนั้นอาจมาไปดูนิทัตลัตนโกสินเขาได้ยก ตัวอย่างตราสัญลักษณ์ของนิทราตนะโกสินนะนะที่เป็นรักษณะของดอกมุนตารบว่าเป็นดอกไม้ที่ไม่มีในเมืองมนุษย์ก็ก็เขาก็พูดถูกทําให้เรานึกถึงพรจิชาตอนคืนวันปรินิพานอดอกนี้มาจากสวงสวรรค์หรือว่าอะไรฉันดาวเทวดาอ๋อฉันดาวดึงเลยครับอคือเป็นลักษณะว่าอยู่ในป่าหิมพานต์ว่างั้นเถอะครับอันนี้ไม่ใช่พุทธวจนนะแต่เป็นข้อมูลให้ทราบออครับ เพราะฉะนั้นก็เป็นข้อมูลให้ท่านผู้ฟังทราบไว้ในสัปดาห์นี้ของเพียวธรรมะเอพิส od ที่19บเก้ะนะเราได้พูดถึงเรื่องของอปฏิจจสมุปบาทที่ลักษณะเป็นไปลําดับะนะซึ่งเป็นมีนัยยะเดียวคือนัยยะที่ทําให้ถึงวิมุตต์เนี่ยเป็นสิ่งที่การเกิดตรงเนี้ยต้องทําให้สมบูรณ์และบริบูรณ์เป็นลําดับขั้นลําดับขั้นเหมือนฝนค่อย ค, อยคอย่ตกทีละเม็ดนน้นะก็ท่วมได้มหาสมุทรก็เต็มได้เราได้พูดถึงรหตุใจ เหปัจจัยสี่ที่เกี่ยวกับการที่จะบรรลุธรรมแล้วก็ให้มีความมั่นใจในการตัดสินของพระพุทธเจ้าให้มีความมั่นใจจะทำอย่างไรให้เกิดปัญญาขึ้นก็เหตุปัจจัยสี่อย่างอย่าครั้นมีสุดท้ายนิดนึงที่จะฝากให้ท่านผู้ฟังฟังก่อนจรปิดรายการก็คือว่าเรื่องของสื่อต่างๆที่เรามีทําในตอนนี้แล้วก็ มีการรายการวิทยุที่ได้จัดเป็นหลักๆอยู่ก็คือที่รายการครอบครัวข่าววันนีครอบครัวข่าววันนั้นก็จะเป็นจันถึงสุกนะจันถึงสุกเวลาตีห้เป็นเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงอันนี้ก็จะมีที่ท่านมาร์คได้มาอ่านพุทธวชนะในตอนต้นด้วยแล้วก็รายการที่สองอันแรกนี้ขึ้น106นะครับเ m 106็กครับผม ส่วนทางต่างจังหวัดนี่ก็ต้องฟังที่สถานีวิทยุในเครือข่ายพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติร้อยสถานีตอนบ3ายสามโมงเย็นแล้วก็สถานีไหนก็คงต้องไปคิดว่าทางส่วนภูมิภาคคงจะทราบอยู่ครับส่วนรายการที่2ก็คือรายการธรรมรัปยุลเป็นของทางสถานีวิทยุชายเสียงประเทศไทยตอนนี้เขาเพิ่มเวลาให้เป็นวันพฤหัสสุขเสาร์อาทิตย์สวันพฤหัสสุขเสาร์อาทิตย์เวลาตีห้เหมือนกันครับ ตีห้าถึงตีห้าครึ่งใช่ในพฤหัสเนีวันพฤหัสขึ้นอะไรนะครับท่านอาจารย์ครับทางกรุงเทพและประิมณฑลก็จะเป็น FM 92.5 9มเก้าสบสองจุดห้าเก้าสิบสองจุดห้าครับเ m ต่า ง, างจังหวัดนะที่อุดรธา น, นีก็จะเป็นเก้าสิบามุดเ็ดห้าเชียงใหม่ก็จะเป็นเก้าสิบแปดนะทางเอได้ทั่วประเทศอยู่แล้วที่แปดร้อยเก้าสิเ็ดกิโลมครับเอ891แดร้อยเกสิบเอ็แปดปดเก้าหนึ่งครับซึ่งวันพฤหัสจะเป็นการอ่านพุทธปัชนะ วันศุกร์จะเป็นการปากถาธรรมคือพูดคนเดียววันเสาร์วันอาทิตย์นี้จะเป็นการสาคชาร่วมกับคุณเตือนใจสินตุวณิกอ่าท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันอันนี้ก็จะเต็มเลยครึ่งชั่วโมงเต็มๆครับครับครับเพราะฉะนั้นในรายการวันเพื่อสุขเนี่ยอาตมาคนเดียวจะไปพูด2อรายการเวลาเดียวกันด้วยครับเพราะฉะนั้นก็เลือกฟังเอาละกันเลือกฟังเอาคือรายการของร้อยห fm ก็เป็นคุณสันสนีนักพงศ์ผู้ดำเนินรายการส่วนถ้าเป็นทางของวิทยุประเทศไทยก็จะพูดอยู่คนเดียวครับครับอย่างไรก็ตามทั้งหมดนี่ก็คิดว่าจะนํามาให้สามารถดาวน์โหลดย้อนหลังได้ทางทางเพียวธรรมะด .com อมนี่แหละก็ตอนนี้เพียวธรรมะด com อก็กําลังปรึกษากันว่าจะทําการแก้ไขอะไรต่างยังไงด้วยครับอีกประการหนึ่งคือธรรมภาพภาษาอังกฤษนะรายการซันเดย์ธรรมะทอล์กทุกทุกวันอาทิตย์ แปดโมงเช้าหลั ง, ลงเข้ า, าขรับพงชาติคแต่อันนี้อาตมาก็จะรับเฉพาะสัปดาห์ที่สามกับสัปดาห์ที่ห้าอ๋ออาทิตย์สัปดาห์ที่สากับห้าแต่ของท่านอื่นก็จะมีนะทุกสัปดาห์อยู่แล้วของท่านพระราญานวิสิทธิ์สัปดาห์ที่หนึ่งของอาจารย์อนนิลมาวัตรวัดบวรสัปดาห์ที่สองและสี่ของอาตมาพระไพวุฒิสัปดาห์ที่สามกับห้า โอครต่บางสัปดาห์มีห้าหสัปดาห์นะบางวมีห้าสัปดาห์ครับอันนี้คลื่นอะไรครับท่านซันเดย์ธรรมะทอ FM แปดสิบแปด FM เก้าสิบ้าุดห้า FM ร้อยเจ็ดคลื่นสากลทั้งหมดนแหละครับอ๋อที่เป็นสังเครครับได้แล้วก็ AM เก้าหนึ่งแปดด้วยอืมครับอืมส่วนรายการพอดแคสต์ก็มีที่นี่เพียวธรรมะ .com ครับอันนี้ก็อัปเดตทุกวันพระฤหัสใช่ลักษณะนี้แล้วก็ทาง ทางอาตามาแล้วก็หลวงพ่อดรสะอาดก็ได้จัดการรีเคลนอยู่เป็นประจำทุกเดือนเดือนละเดือนละหนึ่งครั้งอ่าทุกเดือนเดือนละครั้งครับก็อันนี้ก็ระยเวลากี่วันครับท่านเจ็ดวันเจ็ดวันเต็มเต็มเจ็ก็เจ็ดวันแปดคืนเอ้ยไม่ใช่เจ็ดคืนแปดวันอย่างนั้นไหมครับเต็มเต็มเลยอ๋อเจ็ดอืนครับเจ็ดคืนเจ็ดวันนะครับก็คือเจ็คืนเจ็ดวันแล้วก็รวมเดินทางด้วยกันเป็นเก้าวัน ก็เรียกว่าเก้าวันแปดคืนเหมือนกันเถอะครับเก้าวันแปดคืนครับตรงนี้ก็หาข้อมูลได้ที่หลวงพ่อด็อกเตอร์ดอทอมอหลวงพ่อด็อกเตอร์ดอทครับเพราะฉะนั้นเราก็มีทั้งปฏิบัติทั้งการเผยแพร่กระจเสียงต่างๆครับสิ่งพิมพ์ก็จะค่อยๆออกมาเพราะว่ามันก็ต้องใช้จุนทรรศน์มากในการพิมพ์หนังสืออะไรต่างๆครับครับถ้าใครอยากจะบริจาคทรัพย์หรือว่าสิ่งของหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนี่ไม่ทรรศน์จะ ทำอย่างไรครับท่านนั่นแหะสิเนาะครับก็คงส่งอีเมลมาก็แล้วกันมั้งแต่ว่าของอาจจะส่งอีเมลไม่ได้ก็ทำไงล่ะมีเบอร์บัญชีอะไรไหมครับของวัดอาดอนไฮโซก็เดี๋ยวไงก็จะอัปเดตไว้ให้ถ้าใครต้องการก็ส่งมาได้เพียงเพียงธรรมะนะครับเพราะว่าในเรื่องเรื่องบุญจริงๆคนไทยก็เรียกว่าเป็นอันดับต้นต้นของโลกนะครับใช่ใครับอ เพราะฉะนั้นวันนี้ก็มีข้อมูลเท่านี้สัปดาห์หนะ้าเราจะมาพูดถึงเวลาที่เราโกรธหรือเวลาที่เราทําอะไรไม่ดีลงไปเนี่ยบางคนคบอกว่าฉันก็มีสติรู้ตัวอยู่ ม, มีสติรู้ตัวอย่างเช่นโกรธด่าลูกอย่างเงี้ยนะหรือว่าด่าเพื่อนร่วม ง, งานอย่างงี้นะหรือคใครมาทมําอะไรขัดใจรู้สึกงึ ด, ง ด, งดนิดนึงอนยะ่างเงี้ยนะแต่รู้ตัวนะรู้ตัวนะว่าไม่พอใจรู้ตัวนะว่าดา่ารู้ตัวนะว่าว่าจี๊ดนะ่ะแต่ทําไปแล้ว ไปแล้วทำไมมีสติหรือเปล่าหรือไม่มีสติเอ๊ะทำไมทำไม่ดีตรงนี้เราจะมาตีแผ่กันให้เข้าใจในเอพิโซดที่ยี่สิบอันนี้เอพิโซดที่สิบเก้าก็ลากันไปก่อนครับก็ขอกราบขอบพระคุณและกราบนำนักการพระอาจารย์ไผบูรณ์พิบุโนครับครับครับครับครับครับครับรับครัังทุกท่านครับสวัสดีครับ